เรียนกรรมฐานนะจิตใจเราต้องเด็ดเดี่ยวตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแนะว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้ไม่ได้ปฏิบัติเอาดีเอาเด่นอะไรหรอกนะไม่ได้ปฏิบัติให้เห็นให้รวยอะไรแต่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นงานหลักของเรา ศา ส, สนาพุทธก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรทํายังไงเราจะไม่ทุกข์ตอบปัญหาอยู่เท่า น, นี้แหละก็แบบเดียวกับศาสตร์อื่นๆอย่างแพทย์ศาสตร์ก็ตอบโจทย์ว่าทำยังไงจะรักษาคนเจ็บคนป่วยได้ศาสตร์อื่นๆก็ตอบโจทย์ ในวิชาของตัวเอง่งการทหารทำยังไงจะบรบช น, นะมีเป้าหมายของตัวเองพระพุทธศาสนาก็มีเป้าหมายคือทำยังไงจะไม่ทุกวิธีที่จะไม่ทุกก็คือต้องรู้ ว่าเหตุของทุกข์มันคืออะไรเราก็ละที่เหตุนะเวลาที่ตัวทุกข์ไม่ได้ตัวทุกข์เป็นตัวผ ล, ลวก็ละเหตุเวลาผลไม่ได้จะมีเหตุผลมันก็มีเหตุของตัวทุกข์ก็คือตัวอยากตัวตัณหาถ้าพูดเต็มกระบวนการเลยก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทาน อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจตัณหาคือความทยานอยากของจิตใจอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นสามตัวนี้อยู่ในกลุ่มของกิเลสเป็นตัวสมูทยัยเราต้องละงั้นบางคนมักง่ายคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะี้ทำสมถาทำวิปัสสนาไปเลย เป็นการเจริญสติเจริญปัญญาแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมาผลบรรลุไม่ได้มันทำงานไม่ครบหน้าที่ของเรางานของเรามันมีสามงานอันหนึ่งละบาปทั้งปวงที่สองเจริญกุศลให้ถึงพร้อมที่สามฝึกจิตให้ผ่องแพ้ว งั้นถ้าคิดว่าทำมิปั ส, สนาไปแต่ศีลไม่ต้องรักษาเลี่ยชั่วก็ทำได้ดีก็ทำชั่วก็ทำมันก็เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆทำความดีก็เหมือนเอาน้ำมาใส่ตุ่มไว้ทำความชั่วตุ่มก็รั่วละน้ำมันไม่เต็มตุ่มสักทีตักใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมดแรง พอหมดแรงก็หยุดการตักน้ำที่สะสมไว้ก็ไหลไปหมดความดีเราทำไปเรื่อยล้วความชั่วก็ทำไปเรื่อยเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มรั่วๆให้ความชั่วต้องละความดีต้องเจริญไม่ใช่อาเพราะรู้กายรู้ใจอย่างเดียวถ้าเงินไขเราไม่ครบ ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงเพราะตัวกิเลสทั้งหลายมันเป็นตัวเหตุของความทุกข์ถ้าเราไม่ละมันทำเหตุของความทุกข์เรื่อยไปผลคือความทุกข์มันก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาในเบื้องต้นเราละความชั่วห้าอย่างก็คือตัวสินห้านั่นีออย่านึกว่าเรื่องง่าย บางคนได้ยินว่าสีลห้าก็ดูถูกว่ามันง่ายไม่สำคัญสู้วิปัสสนาไม่ได้การจะถือศีลไม่ใช่เรื่องง่ายเบื้องต้นนะต้องเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลห้าอย่างทางกายทางวาจาของเร า, ห, าห้าเรื่องแรกก็ไม่เบียดเบียน คนอื่นสัตว์อื่นไม่เบียดชีวิตเบียนเบียนชีวิตเบียดเบียนร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นที่สองก็ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของเขาอที่สาไม่เบียดเบียนคนที่เขารักนี่นี่เป็นสิ่งสำคัญของคนในโลกคือชีวิตร่างกายของตัวเองทรัพย์สินเงินทองแล้วคนที่เรารักคนที่เขารัก ถ้าเราเบียนเบียนเขาเนี่ยเราสร้างศัตรูแล้วความสงบสุขมันไม่มีหอต้องคอยระวังคอยระแวงว่าจะมีผลที่ไม่ดีตามมาจิตใจที่คอยวักแวกระวังระแวงไผมัยจะไปทำสมาธิทำอะไรมันทำไม่ได้จริงหรอกศีลไม่มีสมาธิก็เสื่อมไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีปัญญามิมุติก็ไม่เกิด เนธรรมของพระพุทธเจ้าน่ยสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลทุกขั้นทุกตอนสี่ข้อสี่คือเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยคําพูดนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยเบียดเบียนด้วยการกระทําข้อสนีะ่เราไม่เบียดเบียนด้วยคําพูดข้อหนะ้าสําคัญที่สุดนะที่ว่าไม่ให้กินเหล้าสิ่งเสพติดทั้งหลายนะ อันนั้นเบียดเบียนตัวเองนั้นไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างเดียวยังไม่พอนะถ้ามาเบียดเบียนตัวเองก็ใช้ไม่ได้ศี่นข้อห้าเรามุ่งไปให้มีสติสัมปชัญญะถ้าเราไปติดสิ่งเสพติดแล้วสติสัมปชัญญะก็เสียอย่างเมาเหล้าอย่างนี้ยสติสัมปชัญญะก็เสียเมายาอายยายีอะไรนะสติสัมปชัญญะก็เสียนะ ยังไม่รู้จักอายไม่มีอย่างอายอะไรทำอะไรก็ได้สมรถหมู่ก็ได้อะไรเนยมันเสียศีนข้ออื่นเสียไปหมดเลยผิดข้อห้าข้อเดียวข้ออื่นก็โอกาสจะผิดพลาดเนี้ยสูงนี่พอเรารักษาศีนเบื้องต้นตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทำ บามากุศลห้าข้อนี้แล้วก็พยายามมีสติไปเวลาจิตมันมีกิเลสเกิดขึ้นมันจะอยากทำผิดศีลคนทำผิดศีลได้ก็เพราะกิเลสเท่านั้นแหละไม่เพราะอย่างอื่นหรอกงั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจแล้วเราคอยรู้ทันไปพอรู้ทันแล้วก็จิตไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ทำผิดศีลหรอก ศีลอัตโนมัติมันจะมีขึ้นมาบางคนนะก็มักง่ายคิดว่าศีลมันต่อได้ทําผิดศีลี่ไปขอศีลมาจากพระหรือเป็นพระทําผิดศีล้็ปรองกระบาดอะไรเงี้ยอันนี้มักง่ายมันทำให้จิตใจอ่อนแอลงเรื่อยๆ อ, อ่อนแอแพ้กิเลสไปเรื่อยๆ ต้องฝึกตัวเองนะให้มันเข้มแข็ง่ะต่อสู้กิเลสไม่ให้มันครอบงำจนเราผิดศีลสิ่งที่เป็นความดีนะก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญานั่นแหละการที่เราตั้งใจรักษาศีลนั่นก็เป็นความดีของเราฝึกสมาธิคือฝึกจิตใจสมาธิเป็นเรื่องการฝึกจิต ไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิการเดินจงกรมไม่นั่นเป็นรูปแบบของการทำสมาธิจุดสำคัญก็คือการฝึกจิตมันมีสองอย่างเพราะสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดสงบเราฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวสมาธิชนิดตั้งมั่นเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน การฝึกจิตให้สงบอยู่ในรมันเดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเราจะห า, ารมกรรมฐานที่เราทำกรรมฐานอย่างนั้นแล้วมีความสุขเราก็ทำกรรมฐานที่มีความสุขนนแหละอย่างเราพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็พุโทโธเราหายใจแล้วมีความสุขเราก็หายใจเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินจงกรมเอา ดูร่างกายมันเดินไปอะไรเงี้ยจิตใจก็สบายบางคนก็ชอบนั่งก็นั่งเอานะสิ่งเหล่านี้เป็นแค่รูปแบบจุดสําคัญมันอยู่ที่จิตสงบหรือไม่สงบอยู่ที่จิตมันมีเคล็ดลับนะที่จะฝึกจิตให้สงบอย่างรวดเร็วก็คือสังเกตตัวเองนะว่าจิตใจของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานชนิดไหนแล้วมันมีความสุข อย่างบางคนทําสมาธิอนาปานาสติอะไระทําไม่เป็นหรอกแต่ชอบสวมดมนต์สวมดมนต์แล้วมีความสุขวันๆก็ชอบสวมดมนต์แล้วไม่ฟุ้งซ่านเรื่องอื่นสวนมดมนต์ไปเรื่อยๆอันนี้จิตใจมก็สงบได้บางคนสวนมดมนต์ก็ขี้เกียจแต่ว่าเคารพรักพระพุทธเจ้าหรืเคารพรักครูบาอาจารย์วันหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆ คิดถึงครูบาอาจารย์บ่อยๆอย่างหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลเคารพรักท่านมากนะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดถึงท่านเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนไม่ใช่คิดวันละครั้งตอนสวดมนต์ก่อนนอนนะแต่คิดอยู่ตลอดวันนะคิดถึงท่านอยู่เรื่อยๆรู้เลยว่าถ้าเราทําอย่างนี้นะท่านจะตําหนิรู้ว่าถ้าเราทําอย่างนี้ท่านจะชมเชย งั้นจะทําอะไรอ่ะเหมือนอยู่ในสายตาของท่านเหมือนมีท่านคอยมองเราตลอดเวลาจิตใจมันมีความสุขมีความอบอุ่นนะมันไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกกาพร้าเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่อยู่ใต้ร่มเงาของพ่อของแม่มีความสุขมีความสงบได้รับความคุ้มครองคุ้มครองจากอะไรคุ้มครองจากความชั่วเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อ ทำนะหลวงพ่อเมื่อก่อนนะีใช้อนาปนานสะตินี่พอมาเจอหลวงปู่ดูลนะีใจผูกพันกับหลวงปู่ดูลคิดถึงท่านทั้งวันนะเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดเวลาคิดถึงท่านนะถ้าเรามันมีกิเลสขึ้นมาเนะี่ยจะรู้เลยว่าอย่างนี้ท่านตนําหนิมีกุศลเนะียท่านจะบอกว่าดีแล้วให้ไปทําอีกการที่นึกถึงท่านมันกลายเป็นการ ดูจิตของตัวเองไปด้วยไม่ใช่นึกถึงเพลินเพลินนะแต่นึกถึงแล้วจิตใจเรามีกิเลสเรารู้จิตใจเราเป็นกุศลเรารู้เนี่ยที่หลวงพ่อฝึกมานะเปใ น, น่นี้แต่ว่ากรรมฐานชนิดอนุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะีจะได้สมาธิที่ตื้น บางครั้งเราก็ต้องการสมาธิที่ลึกกว่านั้ น, นก็ทำกรรมฐานที่ลึกกว่านั้นอย่างทํามานาปนาสตนะิหรือการพิจารณาร่างกายผมวนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเพได้สมาธิที่สูงขึ้นไปนะอานาปนาสตนะิถึงรูปฌานได้หรือเราจเจริญเมตตาเรนะาเป็นคนชีมโมโหเราจเจริญเมตตาเรื่อย ใจเข้าเคลียร์อยู่กับเมตตามีความสุขเข้าได้ถึงอรูปฌานฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยให้สมาธิที่ไม่เท่ากันหรอกการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงครูบาอาจารย์เนี่นนยจะได้สมาธิเป็นขณะขณะไปอย่างมากก็จิตรวมลงไปเล็กๆน้อยๆอ็ได้อุปจาระ แต่ถ้ามุ่งมั่นนะอย่างบริกรรมพุโทโธพุโทโธอันนั้นไม่ใช่ตัวพุทธานุสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธนะมันเป็นการบริกรรมนะการบริกรรมไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นนะจิตก็สงบลงไปแต่พุทธานุสติเนะี่ยจะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติจะคิดถึงคุณของพระธรรม สังขานุสติคิดถึงคุณของพระสงฆ์วรณานุสติคิดถึงความตายจาขานุสติะคิดถึงทานที่เราทําแล้วด้วยดีนี่การคิดมันจะได้สมาธิสั้นๆแต่ก็ใช้ได้พออาศัยปฏิบัติไปงั้นเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตใจมันมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้น จิตมันเหมือนเด็กถ้ามันมีอารมณ์มีของที่มันถูกใจมันล่อมันมันก็ไม่สนออกไปที่อื่นก็อยู่ในอารมณ์ในสิ่งที่มันชอบอย่างเด็กมันชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นเกมนะมันก็ไม่หนีไปสนที่อื่นอยู่แต่ในบ้านนั่งเล่นเกมอะไรย่างเงี้ยเนี่ยหลักของการทำสมาธิชนิดสงบน่ะง่ายๆไปดูตัวเองอย่าเลือด กรรมฐานตามคนอื่นอย่างพวกเราได้ยินมาหลวงพ่อทำสมถะด้วยอนาปนาสติก็จะทำอนาปนาสติส่วนใหญ่ทำไม่ได้อนาปนาสติไม่ใช่ของง่ายมันเป็นกรรมฐานพื้นที่สุดเลยนะมันเป็นกรรมฐานแม่บทอนาปนาสติมันกว้างกวางมาก อย่างละเอียดเนี่ยนะมันครอบคลุมการทาสติปัฏฐานทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนะใช้ทำสมถะอย่างเดียวก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาด้วยก็ได้ธรรมานาปนสติแล้วถอนออกมาเจริญปัญญาดูกายดูอะไรางี้ก็ได้ธรรมานาปนสติแล้วไปเจริญปัญญาในฌานก็ได้ ธรรมานาปนาสติแล้วก็พลิกไปเป็นอภิญญาก็ได้มันมันกว้างกวางมากงั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะไม่ใช่เอะอก็หายใจหายใจแล้วนึกว่าจะสงบหายใจไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ว่าจะสงบสงบก็ไม่แตกฉานสงบเฉยอย่างนั้นซื้อบื้อไปเฉยๆงันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้กรรมฐานระดับอานาปนาสตินะ อาจารย์สายอภิธรรมบางท่านท่านพูดเลยว่าอานาปนสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษคาว่าพระมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นมหาบุรุษท่านใช้อนาปนสตินะทำสมถะพระรัชจาไม่ได้ตรัสรู้ด้วยอานาปนสตินะบางคนก็ช่วยคิดว่าท่านทําอานาปนสติแล้วบรรลุ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำอานาปนานสติให้จิตตั้งมั่นทรงอยู่ในฌานที่สี่อานาปนานสติมันสูงสุดไปที่ฌานที่สี่พอจิตท่านทรงอยู่ในฌานที่สี่แล้วเนี่ยท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะท่านเจริญปัญญาด้วยการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านดูลงไปที่ อริยสัตติหรือตัวปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะ น, น้นท่านตรัสรู้ด้วยการรู้แจ้งอริยสัตตินะไม่ใช่ตรัสรู้ด้วยอานาปนาสติอนนาปนาสติท่านทำมาได้ตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วนี้ถ้าเราทําอานาปนาสติได้เราก็ทำเอน็นท่านพุทธทาบท่านสอนอานาปนาสติสิบหขั้นอันนี้เอามาจากอานาปนาสติสูตร คนทั่วไปนะแค่ขั้นที่สี่ก็ไม่ผ่านละขั้นที่สี่เนี่ยลมหายใจระ ง, งับลมหายใจระ ง, งับไม่ได้แปลว่าไม่หายใจลมหายใจระ ง, งับหมายถึงว่าจิตเนื่งวางการรู้ลมหายใจนะไปใช้ปฏิภาคนิมิตคือแสงสว่างที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์กรรมฐานแทนตัวลมหายใจจิต ก็จะดิ่งเข้าไปสู่ความสงบที่ประณีตลึกเข้าไปอีกพอถึงตอนนั้นมันไม่มีลมเปนะไม่มีลมแล้วถ้าดูจิตเป็นมันจะต่อเข้ามารูปไปได้นะนี่แค่ลมหายใจระงับส่วนใหญ่เราก็ทำไม่ได้แล้วพอเราหายใจช้าลงนะเราก็ตกใจกลัวจะตาย ใครเคยเป็นไหมหายใจไปมันหยุดหายใจก็้นในชั่วคราวนะตกใจรีบหายใจใหญ่นะคล้ายๆตะกายหาอากาศกลนะัวจะตายไปจริงไม่มีใครธรามานามพระสติเราตายสักคนเดียวนะไม่มีหรอกถึงเง้กลั้นลมหายใจนะบอกว่าค่าตัวตายล้วการกลั้นลมหายใจไม่ตายหรอกนะพอการลมหายใจไปพอมันสลบไปร่างกายก็หายใจต่อ เลไม่ต้องกลัวทํากรรมาฐานแล้วไม่หายใจตายนะไม่มีหรอกนั้นถ้าจะทํา ม, มานาพนสติก็ไม่ต้องกลัวเด่นเดียวลงไปมันไม่ตายหรอกทําไม่ได้ก็ทําอย่างอื่นบริกรรมไปก็ได้พุโทโธไปสัมมาอะหังไปนะมะาพาทาไปพุทธังสารนังคฉามิก็ได้หรือจะบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ ให้บริกรรมออมาก็ง่ายดีนะไม่มีนิมงนิมิตรอะไรหรอกปลอดภัยหน่อยอย่างพุโทโธพุโทโธไปนะก็ปลอดภัยดนะีนี่บริกรรมไปเรื่อยๆถ้าใจชอบนะอย่างใจชอบพุโทโธเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุโทโธใจมีความสุขจิตก็สงบไม่หนีไปที่อื่นนะนี่หลักของการทำสมาธิชนิดสงบ ส่วนการทำสมาธิชนิดตั้งมั่นหลงพ่อสอนไาเยอะแล้วนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานเดิมที่เคยทำนั่นแหละแต่ปรับนิดหนึ่งแทนที่จะน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนะก็ทำกรรมฐานเป็นแม็ก่าวให้จิตรู้เท่านั้นเองแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองอย่างเคยพุโทโธว่าพุโทโธไปเคยหายใจก็าหายใจไป แต่ไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พุโทโธไม่ได้น้อมจิตไปอยู่กับลมให้อยู่ในอารมณ์อนะันเดียวอันนั้นจะได้สมาธิสงบเราพุโทโธไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจิตฟุ้งซ่านหนีไปหาอารมณ์อื่นเราก็รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตไหลลงไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างเรารู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ในท้องไหลไปจับที่ลมรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลม เราทํากรรมฐานนะอันเดิมที่เราเคยทําแต่ปรับมิธีมองอยังเคยพุโทโธพุโทโธแล้วให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธก็เปลี่ยนใหม่พุโทโธพุโทโธนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตจมลงไปอยู่กับพุโทโธรู้ทันเปลี่ยนมาจากการรู้อารมณ์มนะาเป็นรู้จิตเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อก่อนที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะ เข้าไปหาท่านนะกี่องคกี่องนะท่านสอนแต่เรื่องจิตผู้รู้นะสอนจิตผู้รู้ท่านไม่มาสอนหลวงพ่อหรอกว่าหายใจเข้าพูดให้ยใจออกโทไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งเข้าใจเองไม่พูดเลยเสียเวลาท่านตัดตรงสอนหลวงพ่อมนาะเข้ามาที่ตัวผู้รู้เลยชะพูดโทรนะจิตไหลเรารู้หายใจจิตไหลเรารู้ มันก็ไหลได้สองอย่างนหนึ่งไหลสเปสปาไปที่อื่นอีกงานหนึ่งคือไหลไปจมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไ ด, ได้ผู้รู้ขึ้นมาอันนี้หลวงพ่อไปคลา ม, มาจากคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านก็พูดแค่ว่าต้องมีจิตเป็นผู้รู้นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตประพัสสอนเต็ม ส, สว่าง แต่ไม่บริสุทธิ์ท่าไม่จะสอนอย่างนี้ยแต่ต้องอาศัยมัน ม, มีจิตผู้รู้ท่านไม่บอกวิธีธรรมนะคุณพ่อก็มาทำเอาเองะที่จริงมันได้มาตั้งแต่ตอนเป็นโยมแล้วตั้งแต่เด็กตอนเป็นโยมเนี่ยภาวนาไปเรื่อยนะที่แรกน ล, ลมหายใจระงับเป็นกลายเป็นแสงแล้วตามแสงไปเที่ยวที่อื่น เราไปเห็นนูนเห็นนี่นะเป็นนิมิตหลอกหลอกเราต่อมากลัวว่าออกไปแล้วไปเจอผีหลวงพ่อไป็นคนกลัวผีนะตอนเด็กๆนพราะฉะนั้นเวลาทำมานานพัฒนสติเราจําได้จิตมันจะเคลิ้มๆตรงเนี้ยแล้วมันจะสว่างแล้วมันหนีออกไปนี่พอมันสว่างขึ้นมานะรักษาสติไว้ตลอดสายเนี่ยไม่ให้เคลิ้มสุดท้ายร่างกายหายไป โลกนี้หายไปเลยแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายจิตถอนออกจากสมาธิมีร่างกายเนะมันเห็นเลยร่างกายนี้เป็นของถูกรู้โลกทั้งโลกเป็นของถูกรู้ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นของถูกรูทันทีที่เกิดของถูกรู้มันก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเพราะจิตผู้รู้ก็สิ่งที่ถูกรู้นะเกิดด้วยกันนะเกิดร่วมกัน งั้อย่างเราพยายามฝึกให้ได้จิตผู้รู้นะง่ายๆอย่างขนาดนี้เรานั่งอยู่เรารู้ลองรู้สึกไปถ้าเราไม่ไปทำผ่านสมาธิเต็มรูปแบบนะทำแบบทางรัฐเอาง่ายๆเลยอย่างขนาดนี้นั่งอยู่หายใจอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจถ้ารู้สึกว่าร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่หายใจอยู่ถูกรู้ถูกดูะตัวรู้มันจะเกิดขึ้นเอง เพราะใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งจิตนั่นแหละเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งใครเป็นคนหายใจใครรู้ว่าร่างกายหายใจใครเป็นคนหายใจก็คือร่างกายหายใจใครรู้ว่าร่างกายหาย ใ, ใจจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจมันมีกายกับจิตแยกออกจากกันถ้าเราสามารถแยกจิตกับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันได้ เ, เราจะเกิดูดรู้ขึ้น อย่งถ้าจิตหลงไปแล้วเรารู้ทันสภาวะหลงมันดับสภาวะรู้มันเกิดร่างกายมันนั่งอยู่เราเห็นร่างกายมันนั่งมันท้องถูกรู้ในนี้ตัวรู้ก็เกิดเหมือนกั น, นตัวรู้เป็นแบบเดียวกันกับที่ทำสมาธิมาอย่างขนาดนี้นั่งอยู่คอยรู้สึกไปร่างกายมันนั่ง หายใจอยู่รู้สึกร่างกายหายใจสมมติคันนะเก่เาเก่าเนี่ยเห็นร่างกายมันเก่าร่างกายขยับขยับขยับเนี่ยใจเราเป็นคนรู้ฝืก อ, อย่างนี้ก็ได้ฝึก อ, อย่างนี้ก็ได้เดินจงกรมไปเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้ฝึก อ, อย่างนี้มันก็ได้ตัวรู้เหมือนกันแต่ตัวรู้นี้จะไม่เข้มแข็งเหมือนตัวรู้ที่ไปผ่านสมาธิละเอียดนะ ตัวรู้ที่ผ่านสมาธิมาเนี่ยทรงตัวอยู่ได้ทีทรงอยู่ได้เจ็ดวันนะตอนหลับก็หลับไปนะไม่เกี่ยวนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาใหม่เลยตัวรูนะ้แต่อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันก็เสื่อมต้องไปทําสมาธิใหม่แต่ถ้าเรารู้เนี่ยร่างกายขยับนะเรารู้รู้เนี่ยไม่ได้ตัวรู้ทีละขณะทีละขณะขไปก็นะใช้ได้ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วไม่จาเป็นต้องไปเข้าฌานให้ได้ตัวรู้หรอก น, นมันมีเนี่ยถ้าเราพานาเป็นนะแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรๆมันเป็นกรรมฐานได้สารพัดเลยมันพลิกแปลงไปได้สารพัดเลยนะมันคล้ายๆเราฝึกวิทยายุทธ์แบบหนังจีนน ะ, นะพอชนานาญถึงขีดสุดนะวิทยายุทธ์ถึงจุดสุดยอดเนี่ยก็บี่อยู่ที่ใจแล้วไม่มีกระบวนท่า ไม่ต้องฝึกกระบวนท่าอะไรๆมันก็เป็นกรรมฐานหมดนะอันนั้อะไรๆก็เป็นกระบี่หมดแล้วเราฝึกพยายามสะสมของเราไปเรื่อยๆหายใจอยู่ก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้รู้ไปนะทุกข์ดีชั่วก็รู้สขทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นความสุขความทุกข์ก็ของถูกรู้ความดีความชั่วก็ของถูกรู้ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ขอให้มันมีจิตเป็นคนรู้เท่านั้นแหละ มันแยกขันได้ตรงที่แยกขันได้เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาในตำราเขาจะเรียกว่านามรูปปริเชทยามมีปัญญาแยกรูปนามได้รูปมันนั่งนามคือจิตเป็นคนดูรูปมันเดินนามคือจิตเป็นคนดูนะก็หัดแยกไปหันแยกอย่างนี้ก็ได้นี่พอได แยงได้ชนานาญนะนจะเห็นในโลกนี้เต็ไมไปด้วยผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ถ้าพูดภาษาปริยัติก็คือมีจิตกับอารมณ์จิตกับอารมณ์ต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตเพราะอารมณ์นั้นปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ได้ด้วยจิตถ้าไม่มีจิตไม่มีอารมณ์นี้ถ้าอารมณ์นั้นเป็นรูปธรรมนามธรรมนะ การที่เรารู้อารมณ์ที่เป็นโลกะธรรมนา ม, มาทำไปแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นขณะขณะเนี่ยมันเดินวิปัสสนาดได้ะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนี่บางคนก็บอกว่าหลวงพ่อนะวันก่อนสอนเรื่องโล ก, กะธรรมบอกหลวงพ่อสอนง่ายไปตื้นไปอยากให้สอนกรรมฐ า, านลึกๆสอนมาตั้งนานแล้วทําได้เปล่า ทำจริงหรือเปล่าอยากเรียนธรรมะลึกๆแต่ไม่ค่อยปฏิบัตินะมันไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เรื่องหรอกเหมือนหลวงพ่อนะตอนหลวงพ่อสอนทีแรกอนะหลวงพ่อสอนเข้ามาที่จิตเลยสอนดูจิตดูใจเลยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่พระองค์ท่านก็่วงหลวงพ่อเฮ้ยระมทสอนลึกไป สอนคารวะนะสอนทำทานถือศีลแค่นี้มันก็ทําไม่ได้แล้วนะไม่ต้องมาสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรหรอกนี่หลวงพ่อมองว่าทําไมหลวงพ่อตอนเป็นโยมอะครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงพ่อมีสมาธิจนได้จิตผู้รู้นะแล้วก็เจริญปัญญาดูความเกิดดับของอารมณ์กรรมฐานทําไมหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วท่านสอน แล้วหลวงพ่อพุทธนะท่านบอกหลวงพ่อเลยว่าท่านเป็นคนสั่งให้หลวงพ่อเผยแพร่หลวงพ่อพุทธเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องค์ที่สามของหลวงพ่อองค์แรกคือท่านพ่อหลีพ่อเรียนอานาปนสติองค์ที่สองคือหลวงปู่ดุลองค์ที่สามเนี่ยคือหลวงพ่อพุทธไปกราบหลวงพ่อพุทธวันเดียวกับที่ไปกราบหลวงปู่ดุลนะครั้งแรกวันเดียวกันเลยหกกุมภาสองห้าออกจากหลวงปู่ดุลแล้วมาแวะโคราช เขไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธสอนการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะเนี่ยแต่ละองค์ท่านสอนแตกต่างกันนะเราก็ไปเก็บเกี่ยวธรรมะจากท่านมานะค่อยๆฝึกตัวเองไปนะฝึกตัวเองทุกวันทุกวันไม่ล้าเลยนะฝึกไปเรื่อยๆสีลสมาธิปัญญามันก็ค่อยๆแก่กล้า เน่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาอยังยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดมีสติรู้เนี่ยเราพ่อพูดสอนอย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนแล้วมันถูกรู้เนี่ยมันก็คือมีจิตที่เป็นผู้รู้นั่นแหละท่านสอนเราให้มีจิตผู้รู้ด้วยภาษาที่ต่างๆกันหลวงปู่โดนมาคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดคือจิตมันคิดเรามีสติรู้ทานจิตคิดดับจิตรู้เกิด หลกพ่าพูดบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะให้มีสติ ต, ตามรู้ไปให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะอันนี้ร่างกายมีคนทำคิดเป็นใจมีคนทาแล้วมีสติรู้ก็เห็นนะร่างกายถูกรู้จิตเป็นคนรู้นะใจมันคิดจิตเป็นคนรู้ก็นะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่ได้จิตเป็นผู้รู้แล้วนี่ยพอนามไม่ใช่เรื่องยากละ ปัญหาใหญ่คือพวกเราไม่มีจิตผู้รู้เรามีแต่จิตผู้หลงกับจิตผู้เพ่งจิตผู้หลงก็ไปทําอะไรได้ทํากิเลสนั่นแหละทำอากูศลนั่นแหละจิตผู้เพ่งก็ทําดีได้แต่ว่าไม่เกิดปัญญาจิตผู้เพ่งเป็การเข้าไปแทรกแซงอารมณ์ไปแทรกแซงจิตอย่างเรารู้ลมหายใจเราเพ่งอยู่ที่อารมณ์จนลมดับเห็นแสงก็เพ่งแสงไป ไปวุ่นวายหรือบางทีก็เพ่งจิตนิ่งเฉยรู้ตัวเฉยเฉยอย่ อ, อย่างนั้นไม่เกิดปัญญาก็มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันแล้วก็จะเห็นสิ่งที่ถูกรู้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนรู้แล้วต่อไปนะปัญญาแจ ก, กล้าขึ้นเลยเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ฝังเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้รู้รสเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้ตั้งมันขึ้นมาก็เป็นจิตที่รู้กายไหลลงไปรู้กายรู้ความรู้สึกทางกายเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตหลงไปคิด เฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นจิต้เาเกิดดับจิตรู้ก็เกิดดับ่างที่สอนให้วันนี้เอาไปทานะทาความชั่วต้องละความดีต้องเจริญความชั่วละก็ด้วยการมีสตินี่แหละ ไ, ไม่ไปตามใจกิเลสแล้วก็เจริญศีลสมาธิปัญญาของเราไปสุดท้ายมากผลมันก็เกิด จเจริญปัญญาทำวิปัสนาแต่ไม่มีสมาธิไม่ใช่วิปัสนาจริงนะมันฟุ้งซ่านะจเจริญปัญญาแต่ไม่มีศีลไม่ใช่อันะนั้นเป็นอุบายของมารนะมันหลอกให้เราทำชั่วนะกิเลสหลอกให้เราทำชั่วนะมารมันก็สอนเราอย่างนี้ทำได้นะหาวิธีเลี่ยงศีลอย่างงี้รนั้นไม่สาด พาวนาไม่ขึ้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็เสื่อมลงเรื่อยๆแล้วสมควรแค่เวลานะเท่านี้นะหยุดการถ่ายทอดได้